Book 2ูห้าสิบห้าปัจจุบันปัการทางานกามกามคุณทาอาชีพอะไรคะคุณทำอ क ชีพอะไรคะคุณทอาชีพอ สามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ मे ียร์ปติด็อกเตหมร์ปติดตแดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมง म ม่ครึ่งว पर ริชาริกาค้ากามครัตีหูม่ครึ่งวันพิชาริกาค้ากามครัตีหู อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญจลดฮีฮัมเพนชันเลงเกเลดฮีฮัมเพนชันเลงเก่แต่ภาษีสูงมากแต่ภาษีสูงมากเล่ากิตาากแต่ากแต่าษีสูกแตาสากภาษกแต่ภสูงแ่าษีสกันสุขภาพก็สูง और बीमा ज़्यादा है। और बीमा ज ् य ा द ा है। नू याँ पेन आराय ने अनाकोट। तुम क्या बनना चाहते हो? तुम क्या बनना चाहती हो? नू याँ पेन विसवकण। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं อินเจเนียร์บันน้าอยากตีหหนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่วิศววิทยาลัยเมื่อพัฒนาใจต้าหูแม व วิ्ววิ द ยาลัยเมं่อพัฒนาใจตีหูดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัดม่เอกศิษย์ชารหูแม ए क श ि क ् ष ย์ชาร์ธ ดิฉันมีรายได้ไม่มากแม่าได้ไม่ก้าม้ตหมแม้าดกมาตีหุดิฉันฝึก ง, งานอยู่ต่างประเทศแม้จะย่าได้ไม่ก้าม้าตาหุ่แม้จะย่าได้ไม่ก้าม้าตีหุ่มนี่คือหัวหน้าของดิฉัน ว่ามีเรศาบเหบเหดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีเे र ร स, स ह คุรมีอัจฉेิยะเมเรเราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอดูเพื่อให้กูหำหำหำหำหำหำหำหำ हम า म े श ा भोजन ग นกรีห์จัตดิฉันกาลังมองหางานแม้งาน रीढू น ह ा ह ूึ่งปีแล้วแม้งาน र างานมาหนึีน่งปวน่วาง่งานงานมาหนึ่งปีแล้ว मैं पिछले งานมาหนึ่งปีแล้ ह ूม้งานหางาน वर्ष से งे र ो ज ้วห <intell wing> ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมากอิสेดชมีบะฮุดซ้าดาเบโรสการ์โลกเฮนอิสเดชมีบะุดซ้าดาเบโรสการ์โลกเนกรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด